มียาติสัจจ์ประกโมะแปลว่าผู้มีความบากปันและจริงันย่ยอมไม่ตกต่ำ อ, อันนี้คือหลักพระธรรมคำสอนผู้ที่มากปันใช้คเป็นผู้ขยันขยันใช้ปัญญาขยันในการทำการงานแต่อย่าไปขยันทำความชั่วให้ขยันทำความชัววมช่วจิบหายมาก ขยันกินไหนที่มันมันผิดกฎหมายหรือว่ามันผิดจริยธรรมเรื่องว่าโลกทั้งโลกเขาไม่ยอมรับเราขยันอันนั้นแปลว่ินผาแต่ขยันในทางที่ถูกต้องในทางที่เป็นธรรมสุดจริบชนอันนั้นเมื่อเราขยันเข้าไปแล้วความขยันนั่นะแห่จะทำให้พวกเรามีแต่ความมั่งมีสีสุขมีแต่ความร่ำรวย